เมตตานันเป็นคู่กับปานาธิบาตและเป็นคู่กับอาคินนาทานคู่ผู้มีเมตตายืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นพระบรมศาสดาทรงสรรเสรญ เอตังสติงอทิฏฐิยะพรห ม, มีตังก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นทิฏฐิินจะอนุปกรรมะมซีละว่ะเป็นผู้มีศีลทัตเแนะสัมปนูถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบแล้วกาเมสวิยเยถังนาหิชาตุ ขปเสยยังปุรนเรตีติย่อมไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวไปเกิดในชั้นพรหมโลกแล้วต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปลงไม่ไม่ลงมาเกิดในมนุษย์โลกในเทวในมนุษย์โลกในสัตว์โลกจีว่าะขปเสยยังปุรนเรตีติย่อมไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวมีมิตรมีสหายด้วย สัตว์ทั้งหลายเปียกกลัวเขาล็อเดี๋ยวนี้ก็มีโรคหลายอย่างโรคชลาเป็นหัวจักเขาแล้วก็โรคไส้เลือดเป็นที่สองโรคไส้เลือดระเบิดขึ้นมาแต่สอง2ันห้ารอยยี่สิบสองสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดโรคถุงนํำดีเป็นนิ้วเดี๋ยวเนี่ย โรคโ ล, ก, ล, ก, ล ก, กโรคมาโตเีกโรคท่องผูกเองด้วยโรคภูมิแพ้เองด้วยจะทำท่าทำท า, ทางขึงขังน่ยทำท่าเฉยๆหรอกมันพอตายแล้วเนี่ยจะมาพานะผาไม่ตัด และสมาทานไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลด้วยถูกมัดตนเองแล้วไปตรวจโรคไปอยู่แต่ไม่ยอมนอนข้างคืนในโรงพยาบาลเมื่อไม่ยอมควันอนข้างคืนในโรงพยาบาลมันก็เว้นการผ่าตัดอยู่ในตัวเพราะการผ่าตัดมันต้องนอนข้างคืนธรรมจาริป การเล็กไปสู่โลกุตระอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจในทางโลกีก็เป็นใหญ่ในทางโลกีอำนาจในโลกุตระก็เป็นใหญ่ในทางโลกุตระอำนาจในทางโลกุตระเป็นอำนาจที่ก้าวหน้า ไปสู่พระนิพพานอำนาจในทางโลกีเป็นอำนาจที่วนเวียนในวัฏสงสารอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจในทางโลกุตระเป็นใหญ่ในทางออกจากโลกอำนาจในโลกีเป็นใหญ่ในโลกวนเวียนอยู่ในเกิดแก่เก็บตายเป็นใหญ่ทางเกิดแก่เก็บตาย แต่โลกโกรธหลงวนเวียนกันเวนสนองเวนไภ่สนองไัยอยู่ในวัฏฏสงสารนี้อำ น, นาจอันนี้คืออะไรคือกรรมและผลของกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนากรรมผลและกรรมและผลของกรรมมีจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาใครจะบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหา ผลของกรรมก็ตำตามสนองตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นในเหตุดีเหตุชั่วเมื่อสร้างเหตุดีเหตุชั่วขึ้นแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนของค่าควรค่าของเหตุเรียก ว, ว่าผลของกรรมเป็นเมื่อบาเรน็จบำนานอยู่ทุกอิริยาบถของใจทีนี้พวกเราจะต้องการปารบอะไรก็เออขึ้นมาซะก่อน ถ้าอ่นั้นปารอกไม่ถูกให้เอ่ยขึ้นมาเสกอะตถะกักรรมกรรมเป็นเครื่องตัดวัตตะไม่ได้กุศลกรมในทางโลกุตระก ร, รมโลกุตระก ร, รมนับแต่สุพิเทพนโนเป็นต้นไป เป็นโลกุยักอุตรกรรมแต่ว่าอกุศลกรรมนับวันจะน้อยก็มีแต่กุศลกรรมนับวันบานหน้าในสุปฏิปโนส่วนตากว่านั้นลงมาบอกไม่ถูกเพราะหลายบางทีบางทีก็เป็นมนุษย์บ้างผลของกรรมบางทีก็เป็นสัตว์นรกบ้าง บางทีก็ เ, เป็นเปรตบ้างบางทีก็ เ, เป็นอสุรกายบ้างปิตุเวสัยบ้างไม่เหมือนโลกุตระกรรมโลกุตระกรรมหมายถึงพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์ไม่ได้หมายว่ากรรมกรรมของพระโสดาวันกรรมของพระสกทาคามีกรรมของพระอนาคามี รถดยอนกว่ากันไปเป็นลําดับชนต่ํากว่านี้ลงมาต่ากว่าสุภชจรโน ล, ลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้พระบรมาศาสด า, าไม่รับรองเพราะหลายบางทีนี่อย่างกรรมนะครับว่าบอกูบาอาจารย์ในหลวงเคยพูดว่าถ้ า, าว่าเป็นกรรมเนี่เรียกว่าของพระอริยเณรกรรม ใ, ใหญ่ๆนั่นก็จะมาแก้ไขนะครับ คือกรรมใหญ่ๆจะทาไม่ทันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมก็ห้องใจตรงที่ว่าท่าจอ่าใครครับพระนิบุมีพระมุขลาพระนิบุพระศาเดวตทครับยัโดนกรรมใหญ่ัทั้งที่เป็นท่านเป็นอลรหันแล้วทำไมถึงไ้จะต้องโดนกรรมใหญ่ที่นั้นท่ามานุปตีหรืออลวะ พระธรรมโอรานอันน่้เป็นกรรมใหญ่เป็นคารุกรรมคารุกรรมกรรมหนัดคนจะยกเว้นคจะไม่ไม่ไม่ต้องมาตามอาการหหนกันก็น่าสงสัยอย่างนั้นเลยอืมก็ไม่ยากหรอกนี่พระบรมศาสตราฉันมมงวนของนายคุณทะกรรมมานบุตรเพราะเหตุอะไร ก็เพราะเหตุว่าแต่ชาติฟางก่อนเพราะว่าเร า, าศาสดราของเราวางยาคนไข้ผิดด้วยไม่มีกิจนาคนไข้ก็เลยตายทึนี้พุทธก็กรมานั่งตามองท่านมามาบรรดาในชังนหมูง้วนของนายคุณทกกมานมบุรมังสะตกรอ่อนไม่ใช่อดไม่ใช่เฮ็ดอ่อนที่หมูชอบที่แปลว่าเฮ็ดอ่อนที่หมูชอบแตไม่ถูก มังสะสุกรอ่อนของนายสุนทะกรรมมาณบุตรกรรมละบุตรคือมันเป็นเขาเรียกตามภาษาภาคอีสานะว่ามูงง้วนเพราะเนื้อของมันนั่นเป็นเม็ดเหมือนข้าวสารเนื้อของมันเนื้อสุกรอ่อนเป็นเม็ดเหมือนข้าวสารเรียกว่ามูงงวนเป็นเม็ดตามเนื้อของมัน า่าถูกเป็นพยาธิในเนื้อแล้พวพ่ออเราบันสต์กรา้าก็รู้ตัวอยู่บอกว่าเราต้องควรืนีนนะ้พานเพราะผลของกรรมเราอันนั้นี่ท่านก็รู้อยู่เหตุฉะนั้นท่านจึงห้ามไม่ให้พระสุทั้งหลายฉันจะฉันได้แต่เราสถาคดคนเดียวพวกเธอทั้งหลายอย่าไปฉันเออเอาไปฝังไว้ในบอ่อสักฝังหมด ด้านโดงก็ไกมาให้กินไม่ให้กินนอกจากเราแล้วมามีใครสามารถจะย่อยได้แทบุ์แทวราก็จะทราบข่าวก็โปรยยาทิพ์ลงมาใส่เพื่อให้ลดหย่อนลงมาใส่หมูงวนเพื่อให้ลดหย่อนไม่ให้เพษมากถึงอย่างนั้นก็กรรมนั้นก็ยังตามถึงอยู่ ทนี่เรื่องกากรรมตามถึงพระลรหันมันไม่สําคัญพระลรหันไม่ยืนยันว่าขั้นห้าเป็นท่านรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านไม่ได้ยืนยันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นท่านแล้ท่านก็ไม่ได้ยืนยันว่าเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญาสังขารวิญญาณเป็นท่านท่านเป็นรูปเวทนาสัญญาทังขารวิญญาณโดยใจความจะย่อคือท่านไม่สําคัญว่าขั้นท่านเป็นท <chool constructor> ั้งห้า และเป็นสำคัญว่าขั้นห้าเป็นท่านเมื่อไม่เมื่อท่านทอดขั้นห้าที่ยงแล้วจโจนตามมาถึงขั้นห้าก็มาพบแต่รือร้างไม่ได้หนังไม่ได้เขาใช่แล้วเพราะมันมีเจ้าของของเห็นอยู่นั้นค่ะค่ายกับกางเกงของเราเราถอดทิ่งแล้วมันขาดแล้วเราทิ่งแล้วเราไม่อะไรในมันเราไปเที่ง เขาโกรธให้เราที่เขาตามมาเขาตามมาเขาขมาเอากางเกงไปเผาไฟเราก็ไม่ได้รอดเพราะไม่ใช่กางเกงเราเพราะเราทิ้งแล้วฉันใดก็ดีจะตามมาถึงขันห้าก็ตามเพราะขันห้าเราถอนอุปทานแล้วไม่เหมือนพวกที่ยังไม่ถอนอุปทานพวกที่ยังไม่ถอนอุปทานเวลาความตายมาถึงกรรมมาถึงมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเลยเพราะมีกิเลสอยู่นั่นเข้าใจแล้วนะทีนี้ ผู้ไม่มีกิเลสอะไรจะตามมาถึงก็าตามมันก็มาถึงแต่เรือนร่างว่างเปล่าเพราะไม่มีเจ้าของห่วงอยู่ในนั้นเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจแล้วนะเออ <c oughs> ก็ง่า ย, ายๆเรากันนี้ไม่ใช่ของสำคัญที่นี่ผมอันนี้อยากจะถือว่าเป็นระลอกระ้ต้นนิดหนึ่งเอออย่างหลชานี่ที่ทา่านมรณกรรมไปแล้วผมอยากทราบว่า ตอนที่ก่อนที่ท่านจมรณะข้าไปเนี่ยท่านจิตท่านอยู่ในลักษณะัยคือตอนที่ท่า น, น, านกาลังไม่สบายเนีโโ่ยทอยจะต้องปลูก็จะอิน า, ายได์เป็นยังท่านก็คงอยู่ตามวิปัฒนาปัญญาของท่านเองท่านก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องดูของท่านถ้าว่าท่านไม่พ้นเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไม่พ้นภพมรรคต้องไปภพมรรค ถ้าท่านไม่เป็นพระหานคนขนาดนั้นเลยนะต้องตายคาภาวนาแล้วแม้เพาะว่าขนาดตลอดเวลาท่านปิดท่านก็อยู่ในฌานอยู่ในนิพพานตลอดเวลาแ น, นคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายมันมันไม่ช่วยใช่แล้วธาตุเสียหน้าฟ้าลมมันก็แตกกระเจิงกันแล้วมันไม่ช่วยมันไม่บัดแล้วเน่ย ไปค่ายกับรถรถมันวิบัติแล้วจาของรถจะให้ได้เสมอใจมันก็ไม่ได้ล่ะพราะธาตุสีน้ำไฟลมมันไม่เสมอกันมันวิบัติแล้วแต่ส่วนธรรมะของท่านท่านก็ต้องมีเครื่องอยู่ละเรื่องพระโมคันลาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็การ ที่จะทําท่าทําทางฆ่าบิดามารดาเวียนมันมากถ้าได้ฆ่าเลยยิ่งจะไปกว่านั้นนี่ยังไม่ได้ฆ่าเลย ท, ทํา ท, ท่าทําทางเฉยๆทําท่าจะเอาไปโปรดพอไปถึงกึ่งทางแล้วก็ทาท่าทําทางโจรจะมาปล้นม่านนาเขาลองเรียกหาเออโมฆะนาเ อ, อ๋ยโจรจะมาปลน้นแล้วเสียงพูดมันไม่ใช่เสียงมฆะนาเนะ้อ เป็นเสียงโกนเอาข้อนตีพุ่มไม้ตูมตามตูมตามเขาอะไรพูดขู่เข็นนี่เออเสียงอันนี้เป็นเสียงโกลนโมคราเอ๋ยมาหาแม่ซ น, นอที่แรกก็โมคราเขาพอไปถึงที่นั่นก็เอาเอาโคอกโ อ, กอกจากเกวียนผูกโคไว้หลวงมันดาว่าจะไปอุจจระสักคู่ แล้วก็ไปตัวแกนั่นเองไปตีไปตีพวกไม้ตูมตามตูมตามแล้วก็พูดเป็นเสียงใหม่เอาเลียนอัดเพยดานพูดข่ามันข้ามันอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้มารดาได้ทราบก็เออไม่ใช่เสียงโมฆะลามารดาตาบอดมารดาตาบอดโ อ, อไม่ใช่เสียงโมฆะลาเสียงโจรย่ิงเออโมฆะลาเอ๋ยเ อ, อ จะพามานาไปเยี่ยมที่ไหนมนดากขไม่ทราบได้ว่าจะพาจะไปเยี่ยมญาติมนดากขไม่ทราบเ ด, เดี๋ยวนี้เสียงเป็นเสียงโจรที่บอกมันดาว่าจะไปอุจจระทาไมทั้งนานมาแทะไอ้ที่แทต้ตัวตัวแกเปผู้ทาผูกคอแหวนใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นก็นึกในใจ เออมานดาของกูเนี่ยยังรองหากูอยู่ทีนี้กูจะเอามานดามาโปรดกูจะฟังคำพันรยาของกูว่าให้เอามานดามาโปรดนี่ยกูต้องเอากับคืนละกูหาพันรยาหาได้หามานดาหาไม่ได้มันไม่ต้องการอยู่กับกูกให้มันไปสักนึกในใจก็เลยขี่เกวียนกับคืนมาเอาโคเทียมเกวียนกับคืนมากับคืนมาแล้ว พ่อชาวบ้านเขาก็ยังไม่รู้พ่อลวงชาวบ้านว่าจะพาไปเยี่ยมบ้านทางอื่นส่วนภรรยาเห็นก็ตกใจเลยเออทําไมเมื่อคืนมาอีกเรื่ว่าจะเอาไปปล่อยพอมาเขามาพูดกับภรรยาที่แม่บ้านกระซิใส่ที่แม่บ้านมานมว่าให้เอามานาไปปล่อย ถ้าไม่เอาบานาไปปล่อยนั้นจะไม่อยู่ด้วยเพราะบรรดาเนี่ยปฏิบัติยากหาอบายใส่แม่ผัวมานาาแล้วหาอบายใส่คุณยา่าคุณย่าแม่ผัวเลยเอาอาหารไปให้ทีแรกก่อนที่ก่อนที่จะได้เอาไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ปล่อยหาอาหารมาให้ ลูกสะพเอาอาหารมาให้เออมันจืดเกินไปนะลูกนะแกล้งเอาเกลือมาใส่ให้เค็มวันหลังเค็มเกินไปลูกเอ๋ยแกล้งเอาน้ามาใส่บางวันก็เออร้อนเกินไปลูกเอ๋ยแกล้งทำให้เย็นกว่านั้นเวลาจะส่งน้ำทีนี้น้ำร้อนเกินไปร้อนเกินไปลูกเอ๋ยแกล้งเอาน้ำเย็นมา เย็นกันไปลูกเอ๋ยแก้เอาน้าร้อนมาเลยหาเรื่องใส่เลยหาเรื่องใส่ก็เลยขัว ก, ก็เลยจะเอาไปปล่อย น, นะครับพอพูดรัดไปพอจะอไปปล่อยก็จึงเป็นเหตุอะไรจึงกลับคืนมาถึงอย่างนั้นเกิดมาในภพใดชาติใดก็ถูกฆ่าตายหหมทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายพระโมคคลาเหตุเท่านั้นท่านจึงสอนว่า มาตาเปโตุปัตถานะผู้ปฏิบัติเวทามานาเปรียบเหมือนปฏิบัติพระหรหันใครไปดูถูกเดินธาเวทามานาไม่ได้ล่วงล่ําไม่ได้คุณพระเวทาวานาเปรียบเหมือนคุณพระหรหันพระโรมศาสดาเทศมีพิกสุองหนึ่ง บวดมาในทางพุทธศา ส, สนาของพระโคดมเราเนี่ยไปบินถวายได้อาหารมาก็าไปให้มารนาบิดาได้ผ้าผ่อนทอดสบายมาเป็นผ้าขาวที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่ของสงฆ์ก็ไปให้บิดามานาหน้าไม่มีก็ตักมาให้หาไม่ได้ก็คอนและเที่วเอาฟืนไม่มีก็เอามาให้เอาฟืนเป็นไม่ได้ก็เอาฟืนตาย เสิผิวพันวันณะของท่านก็เศร้าหมองพ่อแม่ค่อยจะได้เดินโยกรมภาวนาสงฆ์ทั้งหลายก็ฟ้องพระบรมศาสณาฟ้องพระพุทธมรมศาสาราพระบรมศาสาาก็บอกว่าเออตอนเย็นนี่เราจะตีระฆังให้สงมาชุมกันดอกแต่ว่าพระบรมศาสารณาทราบแล้วว่ามันผิดหรือมันถูกสงมาพร้อมกันหมดตอนเย็น ก็ถามว่าพระกอร่อเอ๋ยเธอทำอย่างนั้นจริงหรือทำทำทำจริงพระเจ้าข้าเธอเห็นยังไงจึงทำอย่างนั้นเห็นว่าวิดามาดานี่มีพระคุณมากผู้เค้าที่เค้าอยู่ทางโลกเค้าเลี่ยงม่เป็นธรรมก็ผมจึงได้ทำอย่างนั้นเพราะกัผมคงเป็นมีสิทธิ์เหมือนกันเพราะเข้าในบาตรกับผมก็ผมก็เบี่ยงให้วิดามานาของกับผมทานรับกินทีนี่ ถ้าว่ามันผิดกับผมก็ไม่เสียใจกับผมก็จะละถ้าถูกกับผมก็จะปฏิบัติไปกับผมก็ไม่รังเกียจท่านพุทธิมาฟ้องเพราะอยากจะได้ฟังอยู่ในเรื่องนี้เธอเห็นเป็นยังไงเธอฉังทำอย่างนั้นอนธิบายให้ฟังสิมิดามาาเรียงมามีคุณมาก เวลาตั้งทอ้องก็ระวังอาหารต่างๆเวลาท้องสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ยิ่งระวังไปอีกห้าหกเดือนไปก็ยิ่งระวังอีกนอนก็ลำบากไปถ่ายก็ลำบากนั่ง ย, งยองก็ไม่ได้บลาท่องโตมาก็คลานคลานถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะเวลาจะทอดก็เอาเชือกเหนี่ยวบิดหน้าบิดหลังเสียงบุญเสียงคำเวลานอนก็ลำบากในเวลาที่ยังไม่ขอดออกมานอนแต่แกงข้างขวากว็าลบาบากข้างซ้ายก็ลาบากไงายก็ลำบากคว่ำก็ลำบ า, าก หารทุก์ม่ส่วนพระเบิดาท่านไปทํางานทางอื่นรักษาลูกเมียทางอื่นก็เป็นห่วงกับลูกเมีย อ, อยู่พอไปหาทางไกลมาส่วนบรรดาเป็นผู้อยู่กับลูกเวลาคลอดออกมาก็เสี่ยงบุญเสียกรรมอีกไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังทวารหนักทวาเรเบา ก็คงทะลุกันพระเจ้าข้านั่งเกลืออีกแค่ด้วยเพราะโบราณนั่งเกลืออยู่ไฟอีกแค่ด้วยอยู่ไฟตั้งกี่สิบวันหรือสามสิบวันความพุทธการไม่จะมียาเหมือนเราเนี่ยเพราะเรามียาไม่ได้อยู่ไฟกันทีนี้ออกจากนันไป พอกับผมคลานเป็นมือหนึ่งก็โกรกพริกมือหนึ่งก็อุ้มลูกถ้ามีคนช่วยเหลือก็พอประทังถ้าไม่มีคนช่วยเหลือก็มือหนึ่งก็กรกพริกมือหนึ่งก็อุ้มลูกเวลาลดมือไปก็คลานกลับๆไปจะตกที่ไหนไม่ทราบตามสายตาก็เที่ยงลูกไม่ได้เวลาลูกร้องให้ก็ก็ให้ด้วยเวลาลูกหัวเราะก็หัวหัวเราะด้วย หิ้วนมก็ส่งนมหิวน้ำก็ส่งน้ ำ, น ำ, นำเป็นทุกเหลือเกินส่วนพิดาเป็นทุกทางอื่นส่วนมานาเป็นทุกอยู่ทางว่านเป็นทุกคนละอยาบคณขององค์ท่านทั้งสองก็ต้องเสมอกันทีนี้เวลาวิ่งเป็นเดินเป็นก็มองดูว่าจะไปขวางรถของเรือขวางนทางเขาไหมหูหลักตาเร็วตาไวออกเสียด้วยเป็นทุกหัวใจมาก ตลอดถึงใหญ่โตมาถึงขนาดนี้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวลูกกูจะเรียนอันนั้นจะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนี้เนียพระสมเด็จพระประองเก้าก็มีพระเดชพระคุณเหนือบิดามาดาของเก้าอยู่ก็แต่ว่าเป็นผู้สอนเก้าต้นมือเมื่อพิจารณาไปมากน้าตาก็ไหลแล้ว ไม่อยากจะกลาบเรียนว่าเออเท่านั้นพอละพระบรมศารดาแต่ชาติก่อนๆเราเกิดมาในชาติใดๆเราไม่ทิ้งวิดามันดาของเราเลยพระบรมศารดาพูดไวในในพระวินัยชาติเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยทิ้งมันดาวิดาเลย ชาติเป็นเศรษฐีก็าตามเป็นกุลุงพีก็าตามมานาวีดาตาบอดก็เรียกตนวันตายชาติเป็นสวรรค์นนาสามชาติเป็นนกแขกที่เป็นสัตว์ที่ได้ฐานก็ไปห า, มาเมล็ดข้าวของชาวนาที่ร่วงหล่นที่เขาทิ้งแล้วข้ามาให้พิรามานาชาติเป็นลิง เราทถาคตก็ไปหาผลไม้มาให้วิรามนานาชาติเป็นกระบือกินหญ้าไปกินหญ้าไปที่ไหนย่า ง, งานก็กินวนกินเวียนอยู่วิรามานาไปใกล้ก็ให้อนัสัญญาณกินแล้วก็กินข้างหน้าอีกแล้วก็เวียนไว้เขาเห็นเรากินอยู่นั้นเขาก็ไม่ไปทันว่าอย่างนั้นเพราะวาราไม่ะา ชาติเป็นมนุษย์ก็ตัง้งหลายๆชาตินานชาติแสนแนชาติชาติเป็นอะชาติเป็นสัตว์ที่ลชานก็เหมือนกันไม่ได้ทิ่งบิดามานดเลยชาติเป็นมนุษย์เองพูดกลับไปกลับมาเป็นคนหาฟืนขายหาฟืนขายมาแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนหนึ่งเอาไปให้เอาไปใช้นี่คือให้เวลาบรรดาเพราะเป็นนี่ท่านส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเหา่าเอาไปให้ภรรยาถ้าไม่ให้มันก็เ ห, าเหา่าของฟอฟอกทีนี้ส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งใส่ทะเลหลวงคือเอาทิ้งใส่ปากใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปฝังไว้ในคุมทรัพย์คือไปให้ทานในพระพุทธศาสนาสมควรจะ ทำประโยชน์อันไหนก็ทำแบงบออกเป็นสี่ส่วนทุกวันทุกวันทุกวันพิชซุทั้งหลายเราจะสาธุพิกษุองนี้สาธุสาธุพวกเธอทั้งหลายจงจาไว้พูดที่ไม่อากาตัญญูต้องเอาเป็นอย่างอย่างเนอเหตุฉะนั้นเราจึงวางไว้มาตาปิตุปัฏฐานะ พุทธาลัสสังขโหการปฏิบัติวิรามารด า, า, าและบุตรภรรยาเอาตามังขารมุตตะมังเป็นมงคลอันุดมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมตเ ม, มามาตาเปตตาจะโอระสังเป็นผู้ปกครองโอรสในเรือนจะพรห ม, มานาเพราะเป็นพมของบุตรมาตาเปตตาจะพรห ม, มานา เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการตรงเลี่ยงท่านอย่าให้อดระทดใจด้วยพระชนกท น, นีมีพระเดชได้พระเกตเกสามาส่วนใหญ่อุ้มอุทธร้อนข้าวเป็นเท่าไหรท่าหมายจะได้เพิ่งพาธิดาดวงถ้าเราทีมีจิตอุปธรรมกุศลล้ำเลิศเท่ากับคูเขาหลวงจะปรากฏยศยิ่งสิ่งท่าปวงจนกว่าจะล่วงลุกถึงซึ่งพระนเพานมันมีในธรรมบท วิดามราวิดาคนหนึ่งมารนาคนหนึ่งกล่าวคาถาด่าลูกลูกไม่เลี้ยงในธรรมบทไม่อยู่เลี้ยงบทจุดเน้นน้อยนักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม่เท่าพ่อนีม่มีมากมายได้ข้ากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเพื่อจะพบพานสัตว์ ร, ร้ายชวายพุ่นไม่เท่ากวัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลย เช่นเขาพูดเจและจากันเกลือนเขาพูดกันเกลือนอยู่เช่นลูกเช่นลูกขี้กาครูจ้าฆ่าเอย๋ยลูกขี้กาที่ลูกมันเป็นผลแดงๆมันไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่อย่างว่าลูกขี้กาที่เขาเขากินของขุมมันเป็นทวันเคยเห็นไหมเคยเห็นนะองคกรมแดงลูกขี้กาไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ คนหนึ่งเห็นกับชาติเห็นกับตาเป็นหญิงหนุ่มอยู่ม่ดามาันนาบอกก็เต้นเลยเต้นกระกระทืบเลยกระทืบบ้านใส่ตึงต้งตึง้งตึ้งใส่อยู่ไม่นานเกิดมะเร็งขึ้นรักษาเข้าไม่หายเกิดมะเร็งขึ้นที่ขารักษาไม่หายอ่ะ ม่เรงชนิดไหนไม่ทราบเป็นขึ้นที่หลังเท้าเหมือนหอยอ่ะขนดนี้ขานาดนี้เป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มรักษาไม่หายเลยตายคากันทั้งสองเท้าเลยเราไม่ได้ทำผิดก บ, บริรามาเราไม่ได้ทำาถลึงตาใส่บิรามาเลย โทษอันนี้ไม่มีเพราะมารดาของเราจะสิ้นลมปานแล้วก็บอกภาวนาพุทโธตายคาพุทโธเลยมิดาของเราก็ตายคาภาวนาตื่นเช้าเนึกพ่อจะไปอยู่เยียบเงียบ เ, เดี๋ยวพ่อจะภาวนาท่านก็ภาวนานอนแต่แง่ข้างขวาพวกเราก็นอนเฝ้าอยู่ตอนเช้ามากใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น ไปเลยเงียบสงบไม่กระดีเลยคนจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามเถอะมาตอกอักเนีด้วยบา้านเทก่อย่างนี้ก็มีอย่างที่ก็อย่างนี้ก็มีอย่างที่ก็อย่างนี้ก็มีอย่างีกอย่างนี้ก็มีเวลาจะสิ้นลมปานอันนี้เงียบเลยไม่เห็นไม่แสดงมานนาก็าเหมือนกันตาย้าภาวนาแต่เราจะเป็นยังไงไม่ทราบ หรือมุ่งจะขาดก็ไม่ทราบล่ะชนนั่นชนนี้ปฏิบัติพระพุทธศาสน า, สาเพื่อหวังคนทุกข์ในวันตฏะสองสารปัญหาไม่มากถ้าผู้บริบัติพระพุทธศาสน า, สาเพื่อคนทุกข์ในวัฏฏะสองสารโดยด่วนนะพุจธวันชาติผู้นั่นสร้างบาลเมฆแก่กล้ามาแล้ว ผู้ที่ยังว่าขอให้รู้แจ้งแทงตลอดว่าผลนิพพานในอนาทตกาลนั้นเถิด อ, อ น, นันบาลมียังอ่อนอยู่บ้างผู้ทีนับถือว่าพุทธศาสนายังกินดีในเล่หเล่หเลียนหัวยอยู่อ น, นันต์ก็ยังอ่อนอยู่ภารามีอ่อนอยู่เพราะมันปิดภูมิพระสวสดาวันเลขภาเนี่ยปิดภูมิพระสวสดาวันเนอ พระสวัสดไม่เฉดายอยากเล็นเรียกเล่นผานเนอไม่เฉดายอยากล่วงแล้วเมือ่อสินห้าพระสวัสนัละโลกุตระเอตนาโลกุตระไม่เฉดายอยากจะถือสาธารณอื่นทีนี้เดี๋ย ว, ยวท่านผู้ใดสงสัยอะไรกอาปารกมาท่าจะพูด ไปก็ให้มันสุดไม่เป็นเนอะอ่ะไปแล้วปะเออนแล้วก็ผมก็าปลงกรรมฐานเยอะอปเเออก็กรรมฐานเคยภาวนาอะไร ถูกถู ก, กพุทโทกกทธก็ถูกนัมภัตะ่ะถูกนัมภก็คือนโมพุทธายะนั่นเองนังนมภัตอย่างนั้นเหรอเอนะโมพุทธายะคือเอนัมภัะไหวพระเจ้าห้าพระองค์ก็ไม่ว่าแต่หาพระองค์ทุกๆพระองค์ไหวอันเดียวกัน สมาอาลหังก็ถูกพุทโธก็ถูกมีความหมายอันเดียวกันเป็นพิษแต่โมหนันท่านะท่องกำลมหายใจเข้าออกจับกรรมฐ า, านให้ดีจับลมหายใจเข้าออกให้ดีกรรมฐ า, านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเมืองขึ้นของลมหายใจเข้าออกคุณพุทโธก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก นามพะ ก, ก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกธรรมะอรหังก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะระลึกเห็นหรือไม่ระลึกเขียนก็นตามก็มีอยู่ทรงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีที่จะวางเลยมากมายหลายรุน่นผู้มีปัญญามากก็เห็นมากผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นหน้อยมีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเราระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงจะมีไอ้ที่แท้มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน เป็นโลกุตะคุณไม่ใช่โลกีคุณพุทธโธ ท, ทรงไววซึ่งละบาบปบาเพ็ญบุญธรรมโมพุทธโธ ร, รู้ละบาบปบาเพ็ญบุญธรรมโมทรงไววซึ่งละบาบปบาเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อละบาบปบาเพ็ญบุญพุทธโธ ท, ทรงไหซึ่งทมอันไม่เกิดไม่ตาย รู้พุทธโธเพื่อรู้การทอันไม่เกิดไม่ตายธรรมโมทรงไม้ซึ่งทำอันไม่เกิดไม่ตายสังโฆปฏิบัติทำอันไม่เกิดไม่ตายก็มีความหมายอันเดียวกัน wherein? ยอดพุทธโธธรรมโอสังโฆไปรวมกันที่พระหลานยอดธรมมาพระหลานก็ไปรวมในที่นั้นไปรวมที่พระหลานไปรวมที่พระเนพานพระพุทธเจ้าจะมีขี่พระองค์ก็ตามว่ายพระองค์หนึ่งก็ถูกหบดทุกๆพระองค์เพราะมีความหมายอันเดียวเพราะมีทำอันเดียวกัน เฉพาะมีพระบเดียวกันเราเริ่มงสในศาสนาพระโคดมก็เท่ากับว่าเรื่องสในศาสนาพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วตั้งอสงไขยอสงไขยที่จะมาในข้างหน้าก็ตั้งอสงไขยอสงไขยถ้าเราสําเร็จพระสวัสดิบาลในพระโคตรธมก็เท่ากับว่าสำเร็จพระสวสดาบันในพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆมันก็อันเดียวกันแล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาในศาสนาโคตรธมก็เท่ากับว่าในศาสนาอื่นๆเหมือนกัน ภาวนาแปลว่า ย, ย่นลงเนอ้อขยายออกก็ไม่สงสัยย่นลงก็ไม่สงสัยภาวนาพุทธโธเบื้องต้นจนน้าตาไร้เลยเออเธอเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณค่าเธอก็จงภาวนาดูสักชั่วโมงสิเราพฏิบัติใัใหม่ใหม่เนะ เธอเป็นคนอัคตันยูพุทธโธใช่ไหมถามผ้าที่ห่มอยู่ก็ของพุทธธรรมสงฆ์เธออาหารที่เธอฉันก็เป็นของพุทธธรรมสงฆ์เสนาสนะที่เธออยู่เธออาศัยทุกสิ่งทุกอันก็เป็นของพุทธธรรมสงฆ์หมดทําไมเธอจึงอัคตันยูไม่ได้ลึกถึงพุทธโธถ้าเธอไม่อัคตันยูเธอก็รองเลยลึกดูซิทนี่กันแน่งภาวนาพุทธโธพ้อมกําลมงหายใจเข้าออกเปียกวัดเนี่ <G ül üş> น้ำตาไหลเลยเปียกวัดหันราวนาทีแรกพก่อข้าลมให้ใจเข้าออกเข้าก็พุทออกก็โทหรือเข้าพุทโทก็ทันหรือออ ก, กพุทโทก็ทันอยู่ตั้งไหวที่ปลายจมูกก็ได้ตั้งไห้ที่ลมมากระทบเวลาหายใจเข้ากระทบเพดานว่างบนหรือดิ้นที่ปากว่างบนเวลาหายใจออกกระทบปลายจมูกอันนี้ก็ยังไกลอยู่ตั้งไว้ที่ดั้งจมูกเลย ลมไม่ผ่านนั่งจมูกจะไปผ่านเทไหนตั้งไว้ที่แห่งเดียวฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี่มีบริบู์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องะ ส, งส์ซึ่งเหือวิสัย พระคือทเงินเป็นกําลังห้าอย่างหนึ่งศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองวิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สสติรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้หปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลง สินสมาธิปัญญาอธิศินสิกขาสิกขาคือศินยิ่งอธิกิตตสิกขาศิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาศิกขาคือปัญญายิ่งก็อยู่ในเป้าอันเดียวกันที่เราเพ่งอยู่นั่นเองสีนก็ตัดสินลงในเป้าที่เราศินสิกขาก็ตัดสินลงในเป้าที่เราพิจารณาสมาธิสิกขาตั้งมั่นในลงในเป้าที่เราพิจารณาเองปัญญาศิกขาปสิกขาคือปัญญาก็รอบครอมในกรรมฐานที่เราตั้งไว้ ก็ตกลงก็เลยศีลสมาธิปัญญารวมที่แห่งเดียวแปลหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็รวมลงที่แห่งเดียวเป็นเอกานิบาตตรงในที่นั้นเรียกว่าสังฆโหสงเคราะห์งลงมาในเอกานิบาตในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมถ้าไม่จับปัจจุบันนัจิตปัจจุบันนธรรมแล้วทำทั้งหลายก็แตกกระเจิงกระตุยกระจายไปอยู่คนละคนละแห่งไปอยู่ตู้บ้า ไปอยู่เหี้บบ้าไปอยู่อดีตบ้าไปอยู่อนาคตบ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นสอนว่าองค์นี้สอนว่าทีนี้ปฏิบัติรวมให้อยู่ในปัจจุบันเลยเวลามันออกมามันก็วิจัยเหมือนกันเวลาเอามารวมก็ต <t> ้องให้รวมได้สิ่งของของเราเหมือนกันเมื่อเราต้องการรวมก็ต้องให้รวมได้เมื่อเราต้องการเอาออกตาก็ต้องให้ตากได้ฉั้นในกตีธรรมะของเราปฏิบัติก็เหมืกันเชื่อกที่เราใช้นะ เราต้องการขึงไปก็ได้เราต้องการโคกมาก็ได้อันเดียวกันเราต้องการโคกมาค้ายๆขับเราภาวนาให้อยู่ในอันเดียวเราการขึงไปยาวหยาดจนทั่วใตโลกทานเรียกว่าเรายืดออกก็ทําอันเดียวนะคําว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นอยู่ในธรรมคาว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้อยู่ในธรรมคําว่าศีลก็แปลว่าตัดศีลอยู่ในในธรรมอันเดียวกันะให้จิตใจแน่หนาเหมือนเหมือนสีลาวะเหตุนั้นจึงว่าศีล ปัจจุบน A, ันนศีลอยู่ที่ใดปัจจุบันนัสมาธิปัจจุบนัจจบนนัปัญญาก็อยู่ที่นั้นอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงอตีตาธรรมมาคือทำอดีตอนาคตาธรรมมาคือทำอนาคตปัจจุปปนาธรรมานั่นเองเป็นเมืองขึ้นของธรรมทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของศีลทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของสมาธิทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของปัญญาทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของพพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเวงขึ้นของพระธรรมทั้งหลายเป็นเวงขึ้นของพปัญญาสงฆ์ทั้งหลายเพราะเป็นตัวศีลเพาเป็นตัวศีลสมาธิปัญญากรมกลืนกันในปัจจุบันนั่นเองจะสิ้นความสงสัยตอนไหนๆก็สิ้นความในในชั้นพระโสดาบันเท่านั้นใช่พระโสดาบันจะสิ้นความสงสัยในชั้นพระโสดาบันก็จิตปัจจุบันรมปัจจุบันจะสิ้นความสงสัยในชั้นสักขาคามีอนาคามีพรผลาญความเหมือนกันก็จิตปัจจุบันทั้งนั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่ทมอนาคต เอาปัจจุบันเป็นตัวประกันมีทั้งเขาทั้งหลังด้วยทำใม้อปการมาสองอย่าสติความระลึกได้สมชัญญะความรู้ตัวระลึกได้ในกรรมาฐานที่ตั้งไว้รู้ตัวในกรรมาฐานที่ตั้งไว้เรียกว่าทำมมีอปการมาสองอย่าสติความระลึกได้ สมัมปชัญญะความรู้ตัวรวาธรรมมีประการละมากสติและเลึกได้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมัมปชัญญะรู้ตัวในกรรมฐานที่ตั้งไว้ะเมือ่อสติอยู่ที่ใดความรู้ตัวก็อยู่ในที่นั่นความรู้ตัวก็คือปัญญานั่นเอง ถ้าดินามฟลง ก, ก็ต้องอาศัยกันอยู่เพื่ออาศัยซึ่งกันและกั น, ช, น, นกชั้นใดก็ดีศีลสมาธิปัญญาชั้นใดใดก็กลมกลืนกันอยู่เพื่อเราแยกออกทําไมแยกออกเพื่อให้เข้าใจชัดถ้าเราไม่แยกก็กลมกลืนกันอยู่ค้าค่ะกับเราเห็นหน้ากันเองเขาเห็นตากันเห็นจมูกเหมือนกันแต่เราพูดอักษรว่าว่าเห็นหน้าไม่ได้บอกไม่ไม่ได้พัน ร, ราว่าเห็นตาเห็นจมูกเคยเห็นหน้ากันอยู่นะครับแต่ว่าเคยเห็นตากันเหมือนกันแต่ไม่อธิบายชั้นใดก็ดี กมื่กรรฐานตั้งไว้ที่แห่งเดียวกรรมฐานอื่นๆก็มารวมอยู่ที่นั่นแม่เหล็กดีย่อมดึงดูดเหล็กทั้งหลายมาค่ายกับทิศเหนือย่อมดึงดูดดูดเหล็กเขยมทิศย่อมเชี่ยวไปในทางทิศเหนือเพราะแม่เหล็กอยู่ทางทิศเหนือชั้นใดก็ดีเมื่อกรรมฐานอันใดตั้งแน่นแล้วกรรมฐานอื่นๆเขเป็นเมืองขึ้นของกรรมฐานนั้นเขาให้ตั้งให้แน่นศีลก็เป็นเมืองขึ้นอยู่ที่นั่น ปัญญาก็เป็นเมืองขึ้นอยู่ที่นั่นแต่ปัญญาเป็นหัวหน้าเขาศีลชั้นไหนก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าสมาธิชั้นไหนนก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าสมาธิชั้นพระสวสดาบัณฑชั้นราทาคามีชั้นอนาคามีชั้นพระหลานก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าทั้งนั้นเนักเป็นลำดับกันไปจะแยกกันไม่ได้จับปัจจุบันให้ดีเชื่อในปัจจุบันเลย ผ iser, ia, high, stones, esis, istic, dai, ู้ใไมเชื่อนะปัจจุบันนิตปัจจุบันนิธรรมผูนั้นจะสงสัยพระพุทธศาสนาด้วยจะสงสัยตนด้วยจะกล่าวตู่ตนด้วยจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีในปัจจุบันแล้วเช่นเราพิจารณาดินดินจึงจะมีในปัจจุบันไม่ใช่เพราะมันมีอยู่แล้วเราพิจารณาน้ําน้ําจึงจะมีไม่ใช่มันมีอยู่แล้วเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมี ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอยู่แล้วเราพิจารณาสังขารสังขารจึงจะมีเราพิจารณาพระ涅槃พระ涅槃จึงจะมีไม่ใช่พระ涅นก็มีอยู่แล้วสังขารก็มีอยู่แล้วอะไรก็มีอยู่แล้วเธอจะลู้ตามเป็นจริงไหมเท่านั้นเองเอด้านปัญญาสมยุทธอ์อีกตายคาสมาธิล้วนๆก็ไปเกิดพรมโรคตายคาวิปัฒนา ล้วนๆก็ไปเกิดพเมโลแต่ว่ามีอายุยืนกว่ากันร้อยโกรธกับรีอปัฒนาสมถโลกีตายคาสมถโลกีก็ไปเกิดแปดหมื่นี่พันกับถ้าพิจารณาอลรปกเป็นเป็นอารมณ์เหมือนอาลาดาบทอุตกดาบทรรามบุญถ้าถึงปฐมฌมานก็ไปเกิดในตายคาปฐมฌาน ก็ไปเกิดในพ ม, ม่าเพระศักดชาพม่าปโรหิตามห า, มมาพม่าเพราะชาลมันมีสามชั้นชั้นต้นชั้นกลางชั้นละเอียบชานแต่ละชั้นละชั้นชานั่งแปลว่าเพ่งหนูในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิแปลว่าตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้มีความหมายอันเดียวกันปัญญาแปลว่ารอบดูในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ถ้าเห็นอนั้นชัดอันหนึ่งก็ชัดไปหมดเมื่อเห็นอันนี้จังชัดคณะเดียวเอ cards, ้าพ huh. ou. ูดเรื่องปัญญานี่ถ้าเห็นอันนี้จังชัดคณะเดียวอันนี้จังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าเห็นทุกทุกชัดในปัจจุบันทุกอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าเห็นสิ่งใช่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเหมือนกันอนาคตก็เหมือนกันนัด บางท่านก็บอกว่าเออผมภาวนาลํำ บ, บากมันไม่ข้ามเวทนาาอย่างนั้นทํายังไงจึงจกภาวนาข้ามเวทนาได้บางท่านก็ถามอย่างนั้นถ้ายืนยันว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าจะยืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ข้ามจิตไม่ได้ ถ้ายืนยันว่าผู้ลูกเป็นตนตนเป็นผู้ลูกมันก็ข้ามผู้ลูกไม่ได้นี่ด้านปัญญาและศีลสมาธิแข็งแกร่งเน้อเนี่ยศีลสมาธิมันแข็งแกร่งปัญญาก็แข็งแกร่งขึ้นมาในขั้นนี้หละขั้นประจันบานกันล้เนี่ยตะลุมบอนกันละวนี่ขั้นลูกระเบิดปรมานนแล้เนี่ยจะทําลาย จะทำลายความหลงอะไฉันเนี่ยผมทำไมถึงวุ an ot, ่นวายแทะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเออถ้าสาคัญว่าปัจจุบันเป็นตนนเป็นปัจจุบันมันก็วุ่นวายถ้าสาคัญว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตมันก็วุ่นวายมากถ้าสาคัญว่าอนาคตเป็นตนตเป็นอนาคตมันก็วุ่นวายมากอดีตคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคืออะไรคือสังขารที่ยังม่มาถึงนี่ลม ห, หายใจเอาหายใจเข้าครั้งเดียวนี่มีทั้งสังขารและของทุกด้วยมีทั้งพุทธธรรมโสงด้วยมีทั้งเกิดแก่แก่ตายด้วยมีทั้งอนิจจังทุกขรังอนัตตาด้วยมีทั้งเกิดขึ้นแล้วแปลผลแลแตกสลายด้วยอมีทั้งพุทธธรรมโสงด้วยนั่นยาขนาดเดียวใช่ได้ตั้งหมื่นโลก รักษาได้ตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านโลกยากขนาดเดียวอืมครบทั้งแปดหมื่นสี่พระธรรมคันด้วยมีทั้งศีลิกขาสมาธิศีขาจิตตาศีขาปัญญาศีขาด้วยนะนี่ยกย ก, ยกอดธาหอนอันนี้เฉยๆนะอันอื่นก็เหมือนกันคําพูดแต่ละบทแต่ละบาทก็เหมือนกันนึกคิดแต่ละบทแต่ละบาทก็เหมือนกันก็มีทั้งรูปทั้งนามด้วยมีทั้งเกิดดับด้วยะ หาระหว่างไม่ได้สมาธิอยู่ใอยู่ใต้อำนาจของอนิจจตาธรรมหมดกำลังก็ถอนออกมาสมาธิหมดกาลังก็ถอนออกมาทำไมถึงเข้าสมาธิก็เรียบเหมือนที่เราทำงานมากทำไมพักว่ามันก็ไม่หนึ่งมันก็ไม่ได้กำลัง ถ้าสามารถกําลังไม่มากไม่ต้องพักก็ได้นะครว่าจะอยู่ในสมาธิตลอดเวลานี้แสดงว่า ม, มีกาลังมากก็มีสมาธิสัมปยุตแต่ไม่ใช่สมาธิแบบหูมาันยินสมาธิแบบหนึ่งมันเป็นสมาธิแปบดบแบบอุปจารสมาธิเดินนิพพัสนาได้ไม่มีกลางวันกลองคืนสมาธิแบบเงียบไปเลยหมดกําลังก็สอนออกมานนเดินวิปัสสนาไม่ได้อะไร ก็มาพิจารณาวิปัสนาภายหลังอันนี้เออสมาธิชั้นนี้แล้วเราเข้าไปมันก็ยังออกมาอยู่แล้วก็นอบลงใส่อันนี้จังทุกคังอนัตตาภายหลังอันนี้ส่วนอุปจารสมาธิมันเห็นไปด้วยกันเลยพร้อมกันเลยเช่นลเข้าลมออกอย่างนี้เห็นทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนแตกสลายเห็นอันนี้จังชัดแล้ว มือนทาง ค, คุณพระพุดพระธรรมประสงค์หาระหว่างไม่ได้เว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการมันก็ต้องเห็นเว้นไว้แต่ไม่ต้องการเข้าใจแล้วนั่เนี่ย <laughs> ถ้าอย่างนั้นไม่มีท่านไม่มีท่านผู้ใดะจะข้ามทะเลหลงไปได้ถ้าหลงอดีตก็ต้องหลงอนาคตถ้าหลงอนาคตก็ต้องหลงปัจจุบันเหมือนกัน ถ้าเห็นปัจจุบันชัดในตอนไหนๆอดีตตอนนั้นๆอนาคตตอนนั้นๆมันก็ชัดถ้าเห็นปัจจุบันชัดโดยสิ้นเชออดีตก็เห็นชัดโดยสิ้นเธออนาคตก็เห็นชัดโดยสิ้นเชอเพราะเอาปัจจุบันเป็นพยานเอาเป็นตัวประกันเอาเอาปัจจุบันจับเป็นตัวประกันเหตุนั้นจึงยืนยันว่าปัจจุบันันเจโธธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอ่นง่ายความแค้นเลย ทนี่ด้านปัญญาทนี่บุคคลผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ว่างแล้วมาครอบอยู่ในกายก่อนก่อนจะข้ามไปถึงปัญญานี่ทีนี้อยากจะวิธีข้ามเวทนาเพื่อเวทนาเี่ที่ตรงเนี้ครับเพราะว่าส่นมาก ถ้อยู่ในระดั บ, บ <า S 2> น, นี้จะหนีไม่ค่อยพ้อนอช่ไหมเพราะนั่ง น, น, น, นานๆเดี๋ยวก็ปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดตัวอะไรพวกนี้ที่ตรงนี้ที่จะทําจะทําให้มันหนีห น, นีีตรงนี้ไปได้เนี่ยตรนี้ครู ก, ก็จะทํำยังไงเราไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นเราเราไม่เย็นยันว่าเราเป็นเวทนาถ้าเราเย็นยันว่าเราเป็นเวทนาหรือยืนยันว่าเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้อะาก็แสดงว่ามันจะเจ็บก็ช่างมัน ก็สังขารจะไปห้ามมันไหวเรือกว่าสังขารจะความทุกเวทนาก็ดีเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็ น, กกเปนอเบียขาก็ดีเธอทั้งหลายจงอย่ายกินดีเนอ้อเระบมารีริกธาตุจงรู้ตามเป็นจริงพ่อเกิดขเขาจะ ก, กแปลปล็แปปปวนแตกสลายไปเหมือนหัวฝีเวทนาอ น, านัตตาท่านยาอนัตตาความจําไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตน สร้างขอนัตตาสังขารที่พงแต่งขึ้นก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาจักขูวีย ญ, ญาณโสตเวีย ญ, ญาณขานัวิว ญ, ญาณชิวหาวีย ญ, ญาณกายวิย ญ, ญาณมาโนวิย ญ, ญาณไม่ใช่ตัวตนเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดนี่พระบรมศ า, าสานาชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ชั้นสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าในพิจารณาขั้นสุดท้ายของพุทธศาส น, น า, น, า, านี่ยถ้าพิจารณามากก็เบื่อเี่ยก็พ้นก็ลด ถ้ามันพิจารณาพอถ้าความเข้าใจพอก็คาว่าหุรุษรพุพจนก็คือรุพดพจนความหลงที่ตนเคยหลงมานั่นเองหลงอะไรหลงเคยว่าเป็นของเที่ยงเคยว่าเป็นของสุขเคยว่าเป็นของตัวตนเคยว่าเป็นของสวยของงามเข้าใจนาทีนี่ข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงใครจะข้ามทะเลหลวงได้ ก็ปัจจุบันเท่านั้นจะข้ามทะเลหลงผู้ไม่หลงเท่านั้นจะข้ามทะเลหลงผู้หลงแล้วข้ามไม่ได้ใครจะข้ามความขี้เกียจก็ผู้ไม่ขี้เกียจนั่นเองจึง <c oughs> จะข้ามได้ใครจะข้ามดื่มสุราได้ก็คือผู้ไม่ดื่มสุรานั่นเองข้ามถูกไหมใครจะข้ามความสงสัยได้ก็คือผู้ไม่สงสัยนั่นเองจะข้ามได้ ใครจะข้ามผู้รู้ได้ก็ผู้ไม่ยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่ยเองจึงจะข้ามได้ถ้ายังถือว่าผู้รู้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ก็ข้ามผู้รู้ไม่ได้ถ้าถือว่าเวทนาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เป็นของท่านนั้นทันนี้มันก็ข้ามไม่ได้เพราะมันมีอุปาทานอยู่ส่วนในสมาธิมันเข้าไปอ่ะเข้าไปเงียบไปเลยไม่มีแต่สุขท่นี้สําคัญว่าตนข้ามเวทนาได้ มันจะข้ามได้อะไรมันก็ไปติดสุขอยู่นั่นก็เวทนาสุขเขาเวทนานั่นมันจะข้ามเวทนาอะไรได้แต่พอมันปอยออกมานสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขากดีมันไม่อยู่ในวงแขนเทียแล้วทีนี้มันเกิดขึ้นมันก็แปรไปเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตร์จึงสอนให้เบื่อนายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขานั่นเองนั่นทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุขังวาตัดจำิงเป็นนิบินทติเธอทั้งหลายจงเบื่อหนายสักเวทนาทั้งสาม สุขขังว่าทุก ข, ขังว่าทุกข์ขว่าสุขขังว่าตัดสเส้งเป็นนิบินติเธอทั้งหลายจังเบื่อหน่ายซักเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเธอทั้งหลายอย่าไปถือถือยึดถือเอาเมื่อเธอรู้ตามเป็นทิงแล้วเธอก็ไม่ได้สมมติทิ้งมันมันทิ้งเองมันพะระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นเหมือนเราลืมตาเข้าไม่ได้สมมติทิ้งมืดมันทิ้งเองมัน ใครเป็นต้นสมมติก็คือใจบริวารของสมมติคืออะไรวะก็คือตาหูจมูกเลียนกายเป็นบริวารของสมมติพ่อใจไปพูดสมมุติใส่ชื่อให้ทีนี้ตาหูจมูกเลยกายเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดเขาก็ไม่วางเฉยด้วยเขาก็ไม่รู้ตัวว่าใส่ชื่อให้เขาว่าตาหูจมูกเลียนด้วย ใจไป็ผู้ใส่ชื่อให้เขาเขาก็ไม่ยืนยันว่ากับเป็นสมบัติพัฒฐานของจิตด้วยแต่จิตไปสมมติว่าเขาเป็นสมบัติของตนเมื่อเขามาอยู่ในวงแขนของตนเจ็บใจก็เสียใจอะไรพาเสียใจอยู่ที่นั้นก็ มีความหลงคือกิเลสเป็นเจ้าของใจอยู่นั่นทุขอย่างทางโลกทุขอย่างทางโลกเพระาะบรมศาสนาไามั น, นจัดเป็นสุขสิ่งไดนไม่ที่อย่างสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนสิ่งสิ่งไหนไม่ที่อย่างสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อลรอย่างวันติถัยนําพึ่ง มันก็ว่าเป็นสุขแต่มันติดไถนทำพึ่งปีของมันได้ในโกรกล้วนเป็นทุกได้ในโกรกล้วนเป็นอนิจจังได้ในโกรกล้วนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมศาสาร า, า, านุสาวรียาพระบรมศาร า, า, า, า, ามีชีวิตอยู่ทรงแสดงขันห้ามากกว่าอันอื่น ทรงแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตามากกว่าอันอื่นเพราะเป็นนิยานี่กระทานำสัตว์ทั้งหลายให้เบื่อหน่ายความหลงของตนกรรมฐานในไตรกธาตุมันมีอยู่สองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอารมณเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารูปกรรมฐาน รูปกะดีอรูปกะดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแล้วกสลายเช่นภาวนาพุทโธอย่างนี้ส่วนพุทโธไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปไหนเนอเป็นคุณอันหาประมาณไม่ได้เป็นอนันตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับผู้ที่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นี่เกิดดับเนี่ยเพราะเป็นเจตสิกธรรมเพราะเป็นวัจจีสังขารเป็นจิตตาสังขารผู้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจที่เกิดดับเป็นส่วนคุณพุทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนคข้าใจแล้วนะทีนี้ เอออ๋อทางนั้นเขาทำจ้ะอืมอ๋ออ๋ซักทำให้แล้หรอซัก ขอถึงไตสรณะกุม ขอศีลว่าอย่างนั้นเนาะมายังพันธีข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงไตสนาครมและศีนห่าว่าอย่างนั้นเอนอกศีลศีนห่าถ้าเราไม่เสียดายล่วงและเมืดมันก็เป็นศีลตัวเดียวกันอยู่ในปัจจุบันศีนห่าขอดปานาธิวดัดก็ดีเวทมานีแปลว่าเวี้ยงแล้วสิขาประธานสมาธิยามนี้เป็นสิขาวดหนึ่ง เว้นแล้วเวรมณีเวน้นอันนี้เว้นแล้วอ้ทินาทานความือนกันเว้นแล้วไม่ลักของท่านผู้ใดเวรามณีสิขาประทางสมาธิยาเป็นสิขาพุทธหนึ่งหนึ่งตามเมสุทธิชาร า, าเวรมณีความือนกันทีนี้เมื่อว่านโมถึงสามจบแล้วก็ขอนักน้อมเดียพระผู้มีพระภาคอรหันตสมาธิพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนโมสามจบก็อธิบายได้เพียงนั้นแล้วก็ว่าพุทธทางถึงสติตติหน้าก็บอกว่า ชนะกรรมนังนิธิตังแปลว่าไตรสิงคมจบเพียงนี้เลยจะพูดไปวันยังข้ามก็จบเพียงแค่นี้อธิบายพิาจารณาแเพียงไหนกว่าตามก็จบเพียงแค่นี้ต่อไปนั้นก็ปนานาทิปตาเป็นข้อห้ามเวรธรมนีเว้นแล้วเว้อันนี้สิขาประทางสมาธิธรมนี้เป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งต่อท้ายก็เอมาเนี่ยปัญจสิขาปานานี่สีดสเดนะสุงงสะกสดสัดติงยันตีซีเดนะภูกระซัมปาาซีเดนี้บทติงยันติตัดมาสีลังวิโสทะย์จะได้รับ สุขก็คือศีลจะได้มีพวกขัพตพในทางวัตถุนิยมหรืออุดมคติก็พระศีลจะไปถึงพระานก็พระศีล น, นี่รักษาศีลก็คือรักษาตัวเองทำให้ศีลเป็นตัวเดียวซักเราไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดมันก็เป็นศีลตัวเดียว ก, กรมเกลียวกันอยู่เป็นเชือกข้าเกลียวอยู่ในใจ ถ้าว่าผู้ใดรักษาศีลเป็นคนอดอยากอย่างนี้เป็นคนจะไม่มีที่อยู่ที่กินอย่างนี้เชยรยนพระพอข้มามปทาศีลเป็นพวกกรัตริย์เป็นโล ก, กุตระพวกทรัพย์ดึงดูดโลกิยะไปในตัวถ้าว่ากล่าวตู่ว่าถ้าเรารักษาศีลห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้กินอะไรละ่ะว่าอย่างนั้นก็คล้ายๆเขาว่าเราไปกล่าวตู่พระสมมานต์พระพุทธเจ้าเป็นคนโง่เพราะเนี่ยเขาอดอยาก ศีลังโลเกอนุตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลลกันโธอนุตโรกินของศีลย่อมทวนลมไปอธิโลเกศีลักคุโนศีลย่อมมีอยู่ในโลกพบรมศาราเป็นนกคุ้มก็ได้ระลึกถึงศีลอธิโลเกศีลัคุโนศีลอยู่ในโลกความสัตย์ก็มีอยู่ในโลก ขอากราบว่านโมยมุตานังนโมยมุติยาคาถานกคุ้มเอามาใช้อยู่เพื่อกันไฟไฟไม่ปลามามันก็บันดาลลมพัดไปทางอื่นเพราะพระบรมศ า, ศ า, ศาสดาอธิโลกเกศลัคณโอทัดจัง ส, ส, ส, สวยเจยอนุตยาน เตนะสัจเจนกามิสัจจิันตะตังอวัชิตัวธรมะพลังสานิโตเคเชนสัจจาพนามวัฏายะสัจจินี้มกาสังสันติปค้าพัฒนาสันติปธาอวัจนามาธาพิทาเนิกันตาชาตเวทัปฏิกรรมะสะสัดเจกเตมหังมหัพชัดิโตสิขีวัจเชสิโสลัสักกัิสานิอุตจังประตัวยถาสิขีสัจเจนะเมสโมนติเอเศร้าเมสัจจ์ามีตินี่เป็นสัจจ์บาลมีของเราพวโรมศาสดาใช่ชาติเป็นนกคุ้มสัจจาลมี สร้างบา ร, รมีสร้างสัจจบา ร, รมีไฟแม่ป่ามามาตาพิตาจะนิคันตาไฟเอ๋ยมาดามานอไฟเอ๋ยลมจงพัดไปทางอื่นซะมาตาพิตาจะนิขันตามันดาของเราไปหาอาหารสันติปะขาวัตนาสันติปาพาอาวันเจนาปีของข้าพเจ้าก็มีอยู่ ขาของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ยังเดินไม่ได้เพราะยังอ่อนอยู่เปลีไฟเอ๋อยท่านจงไปทางอื่นซะทีนี้ลมบันดาลพัดเปลวไฟนี้ไปทางอื่นพระพระรมศาสดาบอกว่ากัปธาเยมห้าเตชะปริตตันทมพนามเหเถระสจะสารีปุตตะจโรคนาเถนะพาทิตังกัปธาเยมหาเตชงปริตตันตทำมนามเฮสูตรอันนี้ระวางไว้ครับหนึ่งเน้อพระบระมศาสดาจะเป็นประโยชน์แก่ เทวดามนุษย์ทั้งหลายกับหนึ่งกัปถายมหาเจรังมีเดชอยู่กับหนึ่งพระฤทธันต์ต่ำพนามมเหธันททั้งหลายจงสวดอันนี้เนอะจงรละลึกถึงอันนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้รับสินละที่นี่จะมาเทศอีก อ, ะอ่ะนั่งค่ะทีนี้ นโมทัส萨ผังกวัตุระโตสัมมาสัมพุทธานโมทัส萨ผังกวัตุระโตสัมมาสัมพุทธานโมทัส萨ผัวตระโตสัมมาสัมพุทธ ส div ันังฆาชามิธรรมสันนังฆาชามิสร้างคังสันนังฆาชามิโสติยมเพีพุทธังสันนังฆาชามิโสติยมเพียธรรมสันนังฆาชามิทสติยมพีสร้างขังสันนังฆาชามิ ตัตียมปีผืนถังสรณะนาคชาหมีตัดตียมปีถมังสรณะาหมัตยมปีสร้างคังสรณะนาคชาหมีสรณะกรรมนตตังปานาิปาเวรมีิาปังสมายาม อดีนาราเวธรรมนียสิกขาปังสัมมาธิยามีการเมสเมชาชาราเวธรรมนียสิกขาปังสัมมาธิยามีมุสาวาราเวธรรมนียสิกขาปังสัมี ราเมรยามัเชฟประมาธรนาวีนมณีสิกขาปรังสมาธิามีทีมายัญชาสิขาปานิ่ีเลนะสุกติงยันติีเลนะภงัญสมปาชีเลนะนิพติันติตัดสมาสีลังวิโสทัย หัตถาวหัตถะวัแปลว่าศอกหนึ่งศอกคำว่าศอกไม้ศอกพระสมานพระพุทธเจ้าศอกพระสมานพระพุทธเจ้ามันคงมากกว่าห้าสิบเซนคงจะเป็นเจ็ดสิบห้าเซนกันมั้งวางไว้ตะกอนเข้ามาให้แล้วหัตถะวัตรก็ไปนี่นเขามาได้ดตกเออที่บ้านเออนี่า ก, การอากาศ อันนี้น้ำปลายพระจับไม่ได้พระจับไม่ได้เอาไว้อะเอาไว้อเดี๋ยวครับสมณีนครจะมาแล้วเดี๋ยวขวานที่นี่โยมก็มี วายาวัตรกโกมินนะโมตัะนะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมบูาจนะโมตัะนะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมบูานะโมตัะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมกยะเสังโจานาตุ ปัญหามา a ั่งกูระกษปัปุนัดอ้าวัดเสียสัตว์ั่งจะไม s กังพัปปนันตุเดยสังขุนังสัมเนราังกัานังัหาุังปริญันตุยะอกนอะตาปารุกะมุตโตตาปันตา วัจโตสัภุริรัมติกันโตนิปุโตจตวอังภาวันสัพพิธิโอวิวันันตุสัพพรุโกเวาสตุวะเตปาวั ตัณรายโสติเทยุโกภวาอภิวาทานาสิเดตเนจังุทาภัยจนจัดตาโรธรรมาวัฏฐานเตอายวันุสุขททัง หนัสือมาแจกกันเว้ยใช่ไหมหนังสือท่านผู้ใด ย, ยังไม่ได้ถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องเอายกมือดูดูท่านผู้ใด ย, ยังไม่ได้หนังสือฮะหนังสือชีวประวัติใครได้ได้ได้แล้วยังไม่ได้ดผู้รู้รู้ใครเป็นผู้รู้ก็ผู้รู้นั่นเองเป็นผู้รู้รู้ ใครเป็จิตก็คือจิตนั่นเองใครเป็นผู้รู้ก็คือผู้รู้นั่นเองทีนี้แล้วที่ตอนตะกี้ผมว่าพอดีที่คุณถามแล้วก็ดีที่คุณอธิบายเกี่ยวกับเนี่ยว่าที่ว่าติดถ้าไปติดผู้รู้ก็ติดผูด้รู้มันก็มันก็อะไรมันก็มี <ไป S 2> พบม่มชาติอยู่ผู้รู้ก็ต้องมีพบมีชาติเพราะผู้รู้จะเป็นมี ง, งานปฏิสัมพันธ์ไปอีกครับถ้าไม่สําคัญเอาผูรูเป็นเราเราเป็นผู้รู้อย่างนี้ วิญญาณปฏิสัณิมันก็รู้ทำกันแล้วมันก็ไม่ไป ม, มันก็ไม่ไปปฏิสนณิกก็พูดรู้อีกอย่างที่ครูบอกปล่ยปล่อยถ้าว่าผมผมรู้นะฮะผมรู้แต่ผมก็ยั ง, ย, งยังติดอีมาติดอีกผมก็ยังต้องมีการหมุนเดี๋ยวเกิดเดียดเด๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับอู่ตลอดอย่โ้ใช่หมอย่างนี้ลักษณะทีนี้เออเนี่ยนะะ ถ้าจนาหลวปูพูดอย่างผมก็ถ้าถ้ า, ถ า, ถาตามตามที่หลวงปู่พูดพูดนี้มันก็มันก็พอเข้าใจนะทีนี้เราเราเราเราเราจะไปจะไปข้ามมันยังไงล่ะครับที่หลวงปู่แกจะข้ามแล้วเจะเ <พอ S 2> ราจะต้อง ข, ข้ามใช่ไห ม, มเพราะว่าเราดับมันใช่ไหมหรือว่าเราปล่อยไม่ไม่สนใจกับมันข้ามคือข้ามความหลงผรู้แา้มายึดเธอูรู้ว่าเป็นตนแล้วก็ข้ามเท่านั้นถ้ายึดรู้ว่าเป็นตนก็ข้าเมไม่ได้แล้ว ถ้าพูดถึงควาหมายของลุงปู่มาคือข้ามเน pues ี่ยแปลว่าแปลว่ายึดใช่ไหมครับแปลว่าไม่ยึดข้ามเพราะข้ามแปลว่าไม่ยึดใช่ไหมคือปฏิเสธแล้วไม่ใช่ของเราหรอกครับคืลุงปู่อาจจะพูดเป็นภาษาทางภาษาพระมาทีหน่อยทีนี้ข้าว่าพูดอย่างภาษาชาวบ้านนะครับก็ถึงจะมีหลายๆคนที่เข้าใจข้ามแปลว่าไม่ยึด พูดเป็น<ง>ว <ains> ิชาการไปพูดเป็นวิชาการไปถ้าเราไม่ถ้าถ้าเราไม่สําคัญน่ะเป็นของเราครับแล้วก็ไม่สาคัญว่ามันเสียนีย่ใช่ไหมถ้าเราสําคัญน่ะเป็นของเราจริงๆริงเราก็ต้องว่ามันเสียนี่นี่ถ้าไม่เราไม่สําคัญของเราการหาอุบายจะทิ้งก็ไม่มีหาอุบายจะเอาก็ไม่มีครับถ้าเราไม่มีของเราจะมีมาจา ก, กตัวไหน ถ้าผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นจะมีมาจากตัวไหนเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีแต่สังขารและองทุกข์ผูู้ ก, ก็เป็นสังขารอันละเอียดกองทุกข์เหมือนกันครับเข้าใจนะเจนอันนี้ก็พอจะเข้าใจนะถ้าพูดถึงว่าน้องปู่ยกตัวอย่างเอาวัตถุอย่างนี้มามันก็มองเห็นมองเห็นน ะ, ะถ้าเราสําคัญงขารนะเป็นของเราทีนี้ถ้าสังขารเปของเราอันนี้มันก็แตกสลายเป็น ที่เราสำคัญก็เาไปขางเราเพราะมันแตกมันสลายถ้าเป็นข้องเราแล้มันแตกมันสลายนี่สำคัญนีคุณเข้าใจแล้วนะทีนี่ที่นี้ใช่ฮะเออลวปอธิบายอย่นี้ผมเข้าใจเลยนะแต่ว่าทีนี้ไอ้วิธีการที่ว่าไอเราจะไม่ยึดกับจะทำยังไคมใจคจะม่ยึดมันว่ามันไม่ยึดแต่มันก็จะยึดถ้ามันไม่สำคัญอามันเป็นใจมันก็ไม่ยึดใจ ถ้ามันสําคัญมันเป็นใจมันก็ยึดใจคือหมายว่าไอ้ที่ยึดเนี่ยตัวใจมันไปยึดใช่ไหมครับถูกและทีนี้เราก็เลนใจแปลว่ากิเลสนะฮะใจที่มีกิเลสมันไปยึดใจไม่มีกิเลสมันไม่ยึดดอกมันรู้แล้วมันก็เฉยว่างแล้วหมายว่าใจนี่เป็นตัวไปยึดนะฮะทีนี้เราก็ทําว่าไอ้ใจนี่ก็ยังยังไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีตัวอีกหรือไงครับไม่มีตัวใจเพราะมีแต่ชื่อของมันแต่มันปรากฏอยู่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 แต่ว่ามันมีอยู่อมันจะมีอยู่ก็ตามแต่ว่าเราปฏิบัติถือเอาเป็นเจ้าของเราก็ไม่ไม่จะแบบไม่จะบาปทีนี้เมื่อเราไม่สําคัญว่าเราเขียนเราจะลบทําไมเมื่อเราสําคัญแล้วเราไม่ได้เราตะวางทําไมภาวนาจนถึงไม่มีได้ไม่มีเสียเน้อเนี่ยถ้าทับตเราได้เราปฏิบัติจะวางอยู่ทีนี้ไอ้มันตัวสําคัญเนี่ยตัวตัวอะไรมันเป็นตัวตัวตัวมันเคยชินนะฮะเคยชินมาแล้ว มันเคยของกูของกูมาเหมือนนกเขาจะให้มันวางมันก็ไม่วางละบางทีมันมันไปติดสัญญามันไปติดกัณยิมันไปติดอีกหลายๆอย่างมันก็เลยเลยเลยทําให้นึกว่าเออของเราเนาะของเขาเนะสมมุติก็เป็นจริงตามสมมุติประมัตดก็ตามเป็นจริงตามปลรมัดเราโยมสมมติตามเป็นจริงของสมมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมติสมมุติอัตตาของเรายังกายใจก็ตามแล้วก็รู้ตามเป็นจริงของสมมติ เราก็รู้ติปามันจริงของปรมาจิพข้อตาหูจมูกวิ่งตายใจไม่ใช่เราที่สำคัญว่าสมมุติว่าเป็นเราเราก็รู้เท่าสมมติแล้วสมมุติเราไม่ใช่เราเราก็รู้เท่าเท่าวิมุตติแล้วเราไม่ติดอยู่ในเงินทั้งสองทั้งสมมติด้วยทั้งวิมุตติด้วยไม่ติดทั้งสองนะครับทั้งทั้งสองอ๋อไม่เพราะไอตัวติดทีแรกนี่เราติดเราก็คือยังมีเราใช่ไหมทีนี้เราก็ยังไม่ไม่ไม่มีเราอีกเรื่องไหครับ ถ้าไม่สมมุติว่าเรามันก็ไม่มีคําพูดกันมันก็ไม่มีสิ่งที่หมายที่สมมุติว่าเรามันก็จริงตามสมมตินี่ที่สมมุติว่าไม่ใช่เรา <c oughs> มันเป็นปรมาทิตยถ้าหากว่าเราถ้าสมมุติเราเป็นเรามันแย่งต่อเราใช่ไห <c oughs> ถ้าเป็นเราแท้ทําไมตึงแก่ทําไมตึงเก็บทําไมตึงตายมันไม่ใช่เราสิมันไม่อยู่ใน อ, นาาอํานาจวัชรณะของเานปรมาติตย์มันก็ต้องซ้อนๆกันอยู่นะ ใคว่าที่แรกทีแรกมันต้องมีเราซะก่อนใช่ไหมฮะมีเราซะก่อนแล้วก็เรามักแล้วก็แล้วก็มาหมักคิดว่าไอ้เราก็ไม่มีอีกถูกนะแล้วก็ไม่มีที่แรกก็สมมุติว่าเป็นฐานไฟก็เป็นดีเกลือที่เอเขาเอาไปตําใส่กันเป็นดินกระสือนะถ้าเป็นเขาก็บอกว่ามีฐานบ้างก็มีมากว่างมีอะไรว่าทีนี้มาตําเสร็จแก่นะ เราไปจุดไฟทิ้งแล้วไม่จําเป็นจะมาสมมติว่าผ่านท่านใดก็ดีเมื่อเราวางสม ม, มุติว่าไม่จําเป็นว่าจะว่าเป็นเราเป็นเขาโดยจริงจริงจังนจะไม่ได้ถอนหน่อยออกอ๋ออน์เฉยเอาผ้าเรามาด้วยเขาพูดเฉยเฉยพูดตามสมมตุติเอน้า ม, มาให้เราดื่มเขาพูดตามสมมุติแต่ว่าเมื่อพระอาน์ไม่เอามาให้ดื่มเขไม่โกรธเขาไปไหนไง่ไหนน้า ม, มาห้เราดื่มเถอพระอาน์เนย เราเหี้ยนะเราสหายนักผ<อ>ู้ภาคสังคาตีลงให้เป็นสี่ชั้นให้ว่า <administr ations S 2> ห า, าเร า, าอย่างที่น้วงปู่อธิบายอย่างนี้ก็หมายว่าคือแอะยังไงก็อย่างเรามไม่อยากเป็นสมุติใช่ไห ม, มแต่ว่าอตัวเราถ้าถ้าถ้าต่อจากคิดจากตัวเราเนี่ยเรามันก็ก็ไม่มีอีกใช่ไหมฮะคือไม่มีการยึดติดในตัวไม่มีการยึดติดไม่มีการยึดติดในเราไม่มีการยึดติดในร่างใน สิ่งที่ไม่เป็นไม่ใช่เราเราก็ไม่ยึดนะนี่นะสิ่งที่เป็นเราเราก็ไม่ยึดนะนี่เราไม่ยึดทั้งสองเงื่อนสิ่งที่เขียนเราก็ไม่ยึดนี่สิ่งที่ลบเราก็ไม่ยึดนี่ครับถ้าเราไม่เขียนเราก็ไม่ต้องลบถ้าเราไม่สำคัญนาไม่ใช่เราของเราจะมีจากประตูไหนนี่ไม่ไม่กดถูกไหมล่ะถ้าไม่สําคัญนะคนอื่นของคนอื่นจะมีจากประตูไหนก็มีแต่สังกัดนะกองทุกข์ทิ้งชาต สังขารแะกองทุกไม่เอาพรไปพระยัพานด้วยครับทิงมาในโลกจะเอาสังขารแะกองทุกไปด้วยมันไปไม่ได้ถ้าลูกปูหุ่นอย่างนี้มันมันก็อธิบายอย่างนี้ผมก็ฟังผมก็พอจะเข้าใจนะแต่ว่าบางทีมันก็มันติดยืนเย่ยเมื่อกี้ที่คุณคุณพูดถามตรงนี้ที่ว่า เรื่องเวทนาเนี่ยเพรว่าลุงปู่เขาบอกว่ามันไม่มีนะใช่ไหมครับแต่ความจริงมันเวลามันเจ็บมันก็รู้ถูกเจ็บนะเวลามันใครมันรู้สึกเจ็บก็กองทุกันเองเขาจะพาแม่มารู้สึกด้วยคือไอ้ที่ลงุลงปู่บอกเนี่ยไอ้ใครไอ้ที่จะให้ข้ามเวทนาไปได้เนี่ยเราจะต้องทําให้รู้ว่าใครเป็นคนเวทนาตัวเราเองเราใครเป็นเจ้าของใครเป็นถ้าถือว่าเวทนาเป็นเรามันก็ทําไม่ได้ถ้าถือว่าเป็นของเรา มันก็ติดอยู่อย่างงั้นมันก็ต้องปวดอยู่มันก็ต้องเจ็บคือถ้าไม่ถ้าไม่ถือว่าเวทนาเป็นของเราไม่ใช่ไม่ใช่อะไรของเราไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอะไรกับกายเราเนี่ยมันก็นั่นสิเวลาตรงนี้ตรงนี้นะพูดดูงี้มันเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าเวลามันมันเจ็บแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรามันก็เจ็บอคือตอนที่ยังไงแหละคือเรายังตอนที่เรายังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอนั่งแล้วเป็นเหน็ดจิงจริมันลำคาญ ใครเป็นผู้เจ็บก็คือสังขารเองมันสังขารมันม า, มาเจ็บด้วยก็สังขารจะมาให้มันเจ็บยังไงเราสังขารพี่ที น, น, นี้นี่พญากะศบอกว่าพระานาร์ตายแล้วศูนย์